พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพคะ่ะพุทธวจนะหรือว่าพุทธพจน์เป็นคําพูดของพระพุทธเจ้านะคะจะทําให้ชีวิตของพวกเราพบกับความสวัสดีเป็นเบื้องต้นเพราะว่าจริงๆแล้วดียิ่งกว่าความสวัสดีที่เราคิดว่าจะเป็นในระดับของโลกโลกแบบกล่าวด้วยแต่อย่าเพิ่งไปสงสัยตอนนี้เลยนะคะเอาเป็นว่าปฏิบัติไปเรื่อยๆฟังธรรมไปเรื่อยๆ ท่านจะทราบเองด้วยตัวของท่านเองเพราะพระพุทโธกลัดไว้นะคะว่าลักษณะธรรมของท่านนั้นเป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงปฏิบัติแล้วก็จะเห็นผลได้เฉพาะตนค่ะเรามาพบกับการปฏิบัติธรรมภายใต้การนำของพระภิกษุซึ่งเป็นอาจารย์สอนคอร์สปฏิบัติธรรมเป็นประจำอยู่ทุกๆเดือนที่วัดของท่านคือวัดป่าดอนหายโศจังหวัดอุดรธานี ซึ่งกำนันให้เป็นพิเศษสําหรับผู้ที่ฟังรายการนี้ตั้งแต่ตอนต้นของรายการยิ่งถ้าไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมอันนี้เท่ากับว่าท่านยิ่งก็ถูกลอตเตอรี่อีกเพราะท่านกําลังจะได้พบกับการนําท่านปฏิบัติธรรมโดยคําสอนของพระาศาสดาของเราโดยพระมหาภัยบูร์อภิปุณโญจาวัตปาอดไฮโศนีค่ะกราน้ตสการ์ค่ะเยบาน การปฏิบัติธรรมที่เราควรจะเริ่มต้นของวันเนี่ยด้วยการที่เวลารู้สึกตัวขึ้นมาจากที่นอนแั้นเราก็รู้สึกถึงลมหายใจของเรารู้สึกถึงร่างกายของเรานั่นคือการตั้งสติแล้วลในที่นี้ก็คือให้เรามาตั้งสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกในที่เป็นอยู่อย่างธรรมชาติธรรมดาเรารับรู้ถึงสัมผัตของลมหายใจได้ที่ไหนเอาจิตของเราจดจ่อไว้ที่ตรงนั้นอาจจะมีความคิดนึกเป็นอย่างนั้ น, อ ย, น, นอย่างนี้บ้าง แต่ถ้าเราระลึกถึงลมหายใจของเราอยู่คิดไปด้วยไม่ลืมลมนะั่นนี่ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเรามีปลายเชือกอีกข้างหนึ่งที่ผูกไว้กับเสาเกื่อนเสาหลักขึ้นลมหายใจของเราัในขณะที่เรามารู้ลมหายใจอย่างนี้ชื่อว่าเป็นพุทธิธรรความเพียรละู้ทธิธรรความเพียรคือการที่เราจะตั้งกุศลคือสติเนี้ยไว้ในใจของเราให้ได้พุทธิธรรความเพียรคือผู้ที่จะละสิ่งที่เป็นอกุศลคือความคิดบางทีมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเราก็ละออก โดยการให้สติของเราตั้งขึ้นการทําความเปลี่ยนอย่างนี้นเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะระวังภัยในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอยู่ผู้เจ้าได้เคยเตือนถึงภัในอนาคตที่พวกเราถ้ารู้แล้วควรจะรีบมาทําความเปลี่ยนโดยการตั้งสติอย่างนี้และตราสไว้ในที่นี้อย่างนี้ว่าพิสุทธ์ทั้งหลายภัยในอนาคตเหล่านี้มีอยู่ซึ่งเธอผู้มองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเปลี่ยนเผากิเลสมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ยางนี้เพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทต่ไม่แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทต่ไม่แจ้งเสียโดยเร็วคืเอเตอร์พึงพิจารณาให้เห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เรายังหนุม่มยังเยาว์วัยยังรุ่นก็นองมีผมยังดำสนิท ต, ตั้งอยู่ในวัยที่กำลังเจริญคือปฐมวัย แต่จะมีสักราวหนึ่งที่ความแก่จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนแก่ทูความชรากราบงำแล้วจะมาทำในใจถึงคาสอนของท่านบูรู้ทั้งหลายนั้นไม่ได้ทำได้สะดวกเลยและการที่จะมาเสพเสนาสนะอันสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใกร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 บัดนี้เรามีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีไฟธาตุให้ความอบอุ่นสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินพ่อปานกลางควรแกการทําความเปลี่ยนแต่จะมีสักคราวหนึ่งซึ่งความเจ็บไข้จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนที่เจ็บไข้ทูความเจ็บไข้ครอบงำแล้ว จะมาทำในใจถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลยและการจะเสพเสนาสนะอันสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ได้ทำได้สะดวกเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจคือความเจ็บไข้นั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปรารบความเพี่ยนเมื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง ซึ่งทำให้เราแม้จะเจ็บไข้ก็จะเป็นผู้ที่อยู่ผาสุขได้ข้ออื่นยังมีอีกคอเดินพึงพิจารณาให้เห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้ข้าวกล้างามดีอาหารหาง่ายเป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยความพยายามแสวงหาอาหารแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่อาหารหายาก ข้าวกล้าสเสียหายก้อนข้าวหาได้ยากไม่เป็นการง่ายที่จะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยความพยายามสแสวงหาอาหารก็เมื่ออาหารหายากที่ใดอาหารหาง่ายคนทั้งหลายก็จะอบประยุกันไปเมื่อเป็นเช่นนั้นความอยู่กลุกมกลีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีขึ้นไม่มีการอยู่กลุกมกลีปะปนกันในหมู่คน การจะทำในใจถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ได้ทําได้สะดวกเลยและการจะเสพเสนาสะนะอันจ ง, งัดที่เป็นป่าชัดก็ไม่ได้ทาได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจคือการที่อาหารหนายากนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปรารคความเปลี่ยนซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทําให้พูดถึงแล้ว จะอยู่เป็นผาสุขแม้ในกล่าวที่เกิดทุพพิก้าไปนี่เป็นตัวอย่างของการที่เราจะปรารูปความเพียนเมื่อเราเห็นถึงภัยที่จะมาในอนาคตเหล่านี้ก็ควรที่จะมารักษาสติรักษาสติรักษาจิตด้วยสติที่เราทำอยู่อย่างนี้เจริ่พรสาทุกค่ะคือ น, นี่เป็นคำเตือนของพระส า, าสดาใช่ไหมคะว่าให้รีบๆซะใช่เพราะวันข้างหน้านะไม่รู้ว่าอันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้น อืมก็มี5อย่างนี้เกิดขึ้นแน่นอนอย่างใดาย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความเจ็บไข้เรื่องของความแก่เรื่องของความเจ็บไข้นเรื่องอา่านหายากเรื่องของคนที่แบบสู้รบพุ่งการบ้านเมืองไม่ปลอดภัยทะเลาะกันใช่แล้วก็ข้อที่4คือการที่สงแตกกันแต่ข้อที่5คือการที่สงแตกกันสงแตกกันไม่หมายถึงสงอย่างเดียวหรือว่าคนในชาติแตกกันเลยคะท่านคะคนในชาติแตกกันนี่จะเป็นข้อที่4อ๋อค่ะใช่ปอน ข้อสามสี่ข้อแรกนในที่ฉันเข้าใจนะคะว่าอถ้าสมมติว่าความแก่เนี่ยถ้าคนเริ่มต้นจะแก่หรือแก่แล้วเนี่ยจะรู้เลยมันขยขับขยื่นเคลื่อนไหวแล้วลําบากท<อ>ีนี้นก็เริ่มเริ่มเหมือนกันนะคะข้อเคอจะเริ่มขัดแล้วออส่วนอข้อที่สองเรื่องเจ็บแค่ที่ป่วยเนี่ยบางทีไม่ได้หมายความว่าต้องแก่ถึงป่วยใชงทีมนป่วยตอนอยังหนุ่ ม, ห น, มหนุ่มเด็กๆเลยเนี่ยแหะใช่ใช่ใชแล้วอาการป่วยถ้าลองคลิปดูแล้วกัน ปวดหัวนิดเดียวก็แย่แล้วอืใช่ไหมคะเจ็บโน่นเจ็บนี่นิดเดียวก็แย่แล้วถ้าป่วยหนักๆแล้วมันไม่มีจิตคิดอย่างอื่นอาจจะโอ้ยโอ้ยอย่างเดียวใช่ส่วนข้อที่บอกว่าอาหารหายากทุกพิกข้าวไมีภัยต่างๆเรื่องกินเปนเรื่องเบื้องต้นมันก็ไม่มีอารมณ์ที่จะมานั่งสแสวงหาโมกสธรรมอันนี้เราเห็นได้ในปัจจุบันนะคือข้าวของยิ่งแพงขึ้นและแพงขึ้น นะมันเริ่มที่จะมีส อ, อกเขาอาการมาแล้วว่ามันจะมาสัสกวันหนึ่งดวงดิ้มโนเรื่องปากทองอ แ, ลแล้วเวลาไหนถ้ามีสงครามปุ๊บโอ้โหอาหารนี้พุ่งปรี๊ดลี้หายากด้วยซ้ำใช่ค่ะไอ้ที่คิดว่าเป็นคนดีๆบางทีก็ต้องลักขโมยกันเพื่ อ, อามาเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะใชะ่ในสังคมทุกวนันนี้บางทีเราเห็นคนจนๆเข้าไปหางสรรพสินค้าก็มีข่าวที่เราเคยได้ยินไปขโมยนัน่นขโมยนี่เหตุผลคือจะเอามาให้ลูกอืหรือเคยดูสปอตโฆษณาโทรทัศน์นะคะอันนี้ไปฉวยเงินเขา เพื่อที่จะเอาไปซื้อยาให้พ่อแม่อืมมันก็สุดแท้แต่ความลำบากท่านคะแต่ว่าพวกนี้ดิฉันยังพอเข้าใจนะว่าถ้าคนคิดถึงคุณค่าของการปฏิบัติแล้วก็จะรู้เลยว่าอ๋อเราลืมนึกไปว่ามันมีโอกาสที่จะไม่ได้ปฏิบัติง่ายๆอย่างที่คิดถ้ารออนาคตใช่แต่ว่าข้อสุดท้ายนะะี่ค่ะดิฉันสงสัยเรื่องสองแต่กั น, กนอื ม, อมจะพวกเราไม่ใช่สมนะคะสงแต่กันแล้วเราจะเดือดร้อนอยังไงล่ะคะเดือดร้อนตรงที่ว่า การที่จะทําในใจถึงคําสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นจะทําได้ยากอ้าวทาไมสงฆ์กลุ่มนี้บอกให้ทําอย่างนี้อีกกลุ่มนึงบอกให้ทำอีกอย่างหนึ่งทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้นะมาฮายานเขาก็จะพูดแบบหนึ่งหรืว่าชีรัญาญพวกทิเบตก็จะพูดแบบหนึ่งอ้าวเทรวาสก็จะพูดแบบหนึ่งเอ๊ะมันมันยังไงกันแน่พวกที่อยู่สายทิเบตก็จะกราบอีงแบบหนึ่งเอ๊ะมันก็งงงเอ๊ะเราไปเห็นเขาทำอย่างนั้นก็งงงเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นวันเมันนนลากตัวี้มแแ่แตกกันมาแล้ว ค่ะหมายความในลักษณะนี้แต<ช>ฉันว่าถ้ายานกันอยู่คนละมุมโลกไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้ามายานอยู่ใกล้ๆกันแล้วเห็นไม่เหมือนกันแล้วเราจําเป็นอยู่ใกล้ทั้ง2อันนี่ลำบากนี่ลำบากว่ามันมันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้ตรงนี้นะคะอ่ะอะประเด็นตรงนี้นิดหนึ่งที่บุรุษเจ้าได้พูดถึงในแต่ละข้อ5อย่างเนี่ยก็คือว่าสรุปว่าถ้าสมมติเราบรรลุอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะสมมุติไม่รู้อะไรอะ่ะ x ตั้งตัวแปรไว้ x นะพอเราถึงตรงนี้แล้วเนี่ย เออเราจะอยู่เป็นผาสุขได้แหมในเวลาที่เราแก่เท่านะอันนี้ก็ที่หนึ่ยมีด้วยเหรออันนี้เราต้องกินนะเอออะไรเนาะบรรลุ x ของท่านขอประทานโทษดิฉันยังตีความไม่แตกค่ะาว่า x คืออะไรอะไรเป็นสิ่งที่เมื่อเราจะบรรลุแล้วคือเราพยายามทําที่จะทําความเพียรเพื่อที่จะได้บรรลุอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ถึงใช่ไหมอ๋อค่ะอ่าพอที่เพื่อที่จะถึงแล้วเนี่ยเราจะเป็นเป็นผู้ที่แม้จะแก่เท่าก็ยังเป็นผู้ที่ผาสุขได้ แม้สงจะแตกกันเราก็ยังเป็นผู้ที่ปผาสุขได้อ๋ อ, อเรคนยนขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมนิดได้ไหมครับไ ด, ได้ได้ไดดิฉันเดาว่าท่านคงหมายความว่าถ้าเราจะบรรลุธรรมในขั้นสูงขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นเป็นอริยะบุคคลขั้นที่หนึง่งอ่าเป็นพระโสดาบันอืมเป็นต้นอย่างเงี้ยป่ะคะใช่ใช่ถูกต้องค่ะ x ในที่นี้ก็คือความเป็นผลของอริยบุคคลขั้นใดกันหนึ่งอย่างเช่นว่าถ้าคุณบรรลุโสดาบัน เราคุณจะมีความมั่นใจอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวนะีในคำสองพระพุทธะพรพุทธภาษัมภิษสงเพราะฉะนั้นในเวลาที่มีสองแตกกันเนี่ยเราจะไม่หวั่นไหวในพระพุทธภาษัมภิษสงกันใช่ไหมอ๋อคะเพราะเราหลักดีใช่เราหลักดีกดนะหรือหรือถ้าเราสูงขึ้นไปเช่นเราเป็นอนาคามีนะไอ้เวลาที่อาหารหายากอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องปากท้องมากไม่มีปัญหาเรื่องกามนะมีมีปัญหาเรื่องกามน้อยลงในเรื่องอนาคามี อันนี้ก็แต่ละขั้นก็เป็นขั้นๆไปค่ะนะคะนี้ก็เท่ากับว่าวันเนี้ยท่านได้ฟังคําเตือนคําเตือนจากพระพุทธเจ้าเลยด้วยใช่ว่าพระพุทธองค์บอกว่าในการล่วงไปหมายถึงว่าพระพุทธองค์ปรินิพานไปแล้วทําก็ดีวินัยก็ดีของท่านนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าที่จำหลักใช่เป็นศาสดาเป็นคือเป็นผู้สอนค่ะอ่าคือคําสอนจะมาเป็นบุรุษชาไม่ได้หรอกแต่หมายความว่าเป็นผู้ที่จะสอนต่อไปค่ะอ่า เประเด็นตรงนี้นิดนึงคุณโยมเต๋วที่ต้องต้องชี้แจงชัดเจนก็คือเรื่องข้อที่3ที่ว่าอาหารหายากเนี่ย<ะ>คือความที่อาหารหายากเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะปัญหาจริงๆเนี่ยคือการจะต้องอยู่คลุกคลีกันในที่ที่อาหารหาง่ายเข้าใจไหมคืออาหารอยู่ยากที่ไหนคนก็ไม่ไปอยู่ละเพราะไม่มีอะไรกินใช่ไหมแต่ไอ้ที่ไหนอาหารหาง่ายเนี่ยคนก็จะไปอัดกันตรงนั้นเอาเราก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นอนะ่ะมันก็จะมีปัญหาแล้วทนีนี้เพื่อนบ้านเอ้ย กินเอ้ยต้องรับคูปองแบ่งกันกินบ้านหนึ่งรับได้ขวดเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยตรงนั้นคือการอยู่คลุกกรีประปนกันจะเป็นปัญหานนคนเยอะ<บ>เรื่องแย่อะไรทำนอง น, นี้ยใช่ใ<ๆ>เราเห็นได้ในปัจจุบันอย่างวัดปานน้ยอยโศกเฮ้ยทาไมคนปฏิบัติธรรมมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นค่ะนั่นคืออันนี้เป็นเป็นข้อสังเกตที่เดามาตั้งขึ้นเองนะแต่ยังไม่ได้มีการทดสอบข้อมูลอะไรคือหมายคว่าบ้านเมืองมันมีปัญหามากขึ้นเนี่ยคนก็เข้าวัดมากขึ้นจริง พอคนเข้าวัดมากขึ้นที่ไหนสงบคนจะไปที่นั่นไงนี่ออรอไหมพอบ้านเมืองวุ่นวายวุ่นวา ย, วายที่ไหนสงบคนก็จะแห่กันไปเอาคน <Okay. S 1> ก็เลยแห่กันมาวัดทีนี้เอาวัดก็เลยจะต้องกลายเป็นที่ไม่สงบละเอาเราก็ต้องจัดการให้ดีออ่าตรงนี้มันจะจะเตือนเอาไว้ทําให้อดมามาเห็นแง่มุมที่ว่าโ <c oughs> อ, อปัญหาเรื่องอาหารยากนี้ไม่ใช่ตัวอาหารนะแต่เป็นตัวที่คนมันจะมาคลุกกรีกันค่ะออ๋ อ, อแปล ว, ว่ามีประสบการณ์จากการที่คนไปคลุกคลีกันเยอะๆเห็นแววแห่งปัญหาใช่ และคิดว่าเราจะต้องบริหารให้ดีอืมดิฉันก็อ่านไม่ละเอียดนะคะพอท่านมาชี้ถึงได้เห็นวาอ๋อพระองค์ทรงหมายถึงว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากการหายากนะแต่ตรงที่หาง่ายคนมันจะตกคลาดกันอยู่ที่นี่ใช่แล้วก็ทําให้เกิดความไม่สงบไม่สงัดอืมคนเยอะเรื่องยอะจริงจังทั้งคาทัๆงโอ้ยไปพูดถึงนอกวัดเลยคุณยมติ๋วโอแค่ในวัดเนี่ยตะโกนแห่กันมามากเนี่ยนะอย่างในวัดป่าเรศสดสเราจะให้อยู่ห้องละคน หรือกุติหลังละคนเเพื่อที่จะไม่คลุกคลีกันนอนห้องหลายๆคนเนี่ยเราเป็นนโยบายที่เราไม่รับรับไม่ได้แต่วมันแหกกันมาเยอะๆเนี่ยเราก็รับได้เท่าที่เรารับได้ก็ต้องปฏิเสธไปบางคนบางจุดปฏิเสธไม่ได้มันก็ต้องอาจจับกันสองห้องเลยหรือคนหนึ่งอยู่สองห้องหนึ่งอยู่สองสาคนมันก็จะเรื่องเยอะเลยทีนี้นเห็นได้ในวัดเราพยายามจัดการแต่ก็ยังจะมีมีบ้างอย่างเงี้ยค่ะนั่นเองเคยไปปฏิบัติธรรมที่นอนเรียงแถวยาวเลยนะคะๆๆในห้องโถง เก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าถ้าเป็นคนที่ใช้ชีวิตยากๆเนี่ยลำบากเพราะบางทีบางคนเล่าให้ดิฉันฟังเขาก็เป็นคนทำงานชนชั้นกลางบอกโหชั้นโชคร้ายจริงี่นอนใกล้แม่ค้าก้นกระดังตัวกระเม็นาเลยก็แล้วแต่แต่ว่าเข้าใจเรื่องคนแค่สบตากันปัญหาก็เกิดแล้วใช่ค่ะฮะ อันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ที่เรามาคิดว่าเรามองได้อีกมุมหนึ่งเหมือนกันตรงที่ว่าเพราะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องไปวัดหรืออะไรมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่ไหนที่จะสงัดได้สงบได้ถ้าสมมติบ้านเราเนี่ยเป็นที่ที่จัดการให้มันมีความสงัดสงบได้และอยู่คนเดียวได้เอออันนี้เราก็อยู่ที่บ้านได้เหมือนกันนะออันนี้ก็ได้เหมือนกันเนึ้อไหมค่ะอืมดังนั้นก็สังเกตพฤติกรรมคือมันอยู่ที่เราจริงๆนะคะใช่ แต่ทั้ง น, นี้และทั้งนั้นนะคะท่านอาจารย์จะต้องเพราะเราเข้าใจธรรมะเราถึงจะได้เรียนรู้วิธีการที่จะอยู่ท่ามกลางผู้คนแต่เหมือนกับสงบสงัดได้ใช่ใช่ใช่นี่แหละเราจึงแบบมีให้รายการนี้มาพูดคุยเรื่องธรรมากันค่ะเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยจะต้องให้ธรรมะชัดๆเลยนะคะเพราะว่าผู้ฟังรายการเนี้ดิฉันเข้าใจว่าส่วนใหญ่อะคะ่ะตอนเช้าเนี่ยจะฟังรายการท่านแบบสงบสงดัดแต่เดียวเฮ่ะจะออกไปเผชิญกับโลกกว้างแล้ว เดี๋ยวจะต้องไปเจอกับยายนั่นแล้วอเดี๋ยวจะต้องไม่ต้องยายนั่นยายนี่ก็ได้ไม่รู้จักก็รู้สึกวุน่นวายทำอย่างไรคะถึงจะสงบสงัดท่ามกลางผู้คนบุญเจ้าเคยตรัสถึงตัวพรองค์เองนะว่ า, เ, าเวลาที่พระองค์เนี่ยอยู่ท่ามกลางภิกษุภิกษุณีบาสุบาสิการาชามหาขษัตริมหาอมารเดรติสาวางเดรตีเนี่ยหนลุงตุงนางแสดงทําอยู่คนเยอะแยะอะไรต่า ง, างแต่จิตนั้นนะก็อยู่เป็นก็เรียกว่าอยู่ผู้เดียวได้นะจิตแบบอยู่ผู้เดียวได้ อันนี้คื อ, คอกรณีที่1นึ่งนะนะตัวพระองค์เองด้วยสาวกหลายๆรูปหลายๆท่านก็ทําได้ในขณะที่ในทางที่2กรณีที่2ตรงกันข้ามนั่นะต่อให้เราไปอยู่ในป่านะเป็นที่รับหลีกเร้นมีเสียงกื้อทื่อคือกลมน้อยไม่มีลมที่เกิดจากผิวกายคนเข้าคนออกแต่ถ้าใจเป็นแบบบ้าบบาเบาก็ถือว่าอยู่ไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่เป็นแบบเพื่อน2องนะซึ่ง2กรณี้ต่างกันยังไงต่างกันที่จิตท่านั้นตเองนะคือข้างนอกก็ต่างกันด้วยละ่ะ นะ <Okay. S 1> ถ้าข้างนอกนี่ไม่ได้เกี่ยวเลยนะยกไปเลยไม่ว่าคุณจะอยู่สถานการณ์แบบไหนแต่ถ้าจิตนะมีความคิดฟุ้งซ่านมีนิวรณ์มีตัณหามีอะไรต่างๆก็เหมือนอย่างกับจิต น, นั้นวุ่นวายอยูนะ่ต่อให้ภายนอกเป็นอย่างไรก็ตามใ <Okay. S 1> นขณะที่ถ้าใจนะใจมีความสงบเป็นอารมณ์มัเดียวมีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์มเดียวนะละตัณหาได้ตรงนี้แหละคือเหมือนกับผู้ที่อยู่ผู้เดียว ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามนะใจหลีกเล้นเด็ดเดี่ยวอยู่ได้นนถ้ากวัวท่านกำลังบอกว่าทำได้ถ้าจะทำและรู้วิธีเพียงแต่ว่ามันอาจจะทำไม่ง่ายในตอนแรกก็ค่อยๆทำไปคนที่ปฏิบัติก็จะได้เปรียบหน่อยไหมคะ อ, อ๋อใช่ใช่ตรงนี้แหละคือคือไ อ, ไอ้ที่ว่าบรรลุอะไรหรือทำให้แจ้งซึ่งอะไร ที่เรายังไม่ได้ทําให้แช้งพ่อตรงนั้นมาถึงแล้วเราจึงยงเป็นผู้ที่ผ่าสู่ได้เนี่ยตรงนี้อาจมาก็หมายถึงว่ามันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือมันเป็นเกรดขึ้นไปไล่ขึ้นไล่ขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้แบบพวเพรอะแต่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นเหมือนกับกราฟที่มันค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไปอย่างเงี้ยนะถึงจุดใดจุดหนึ่งอมันพอที่จะพึ่งได้เราก็ความทุกข์เราก็จะค่อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอถึงกรณีที่มันมามานั้นๆค่ะ ทีนี้เมื่อสักครู่หลังจากที่ได้พูดไปว่าเรื่องแก่เจ็บตายเป็นภัยที่จะเป็นปัญหากับการที่อาหารหาย า, ยากและคนจะไปอยู่ที่อาหารหาง่ายกันเยอะๆกับสุดท้ายคือสงแตกกันจะเป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้เราพาสุขอยู่ได้ใช่นะคะทีนี้สมมติอย่างกันในสังคมไทยขนาดนี้ค่ะ ที่มีความคิดเห็นแตกแยกใช่ไหมคะแตกต่างดีฉันใช้คํานี้ดีกว่าแตกแยกมันสะเทือนใจ อ, อแต่ว่าอาจารยเข้าใจคุณเจมส์เต๋วเราจะดี f i n คําว่าผาสุกได้ยังไงค่ะอ่าอย่างสมมตุติโอ้อาหารหายากอะ่ะแหมแล้วแล้วมันไม่มีอะไรกินคุณจะผาสุกได้หรอหรือว่าคนทะเลาะ ก, กันอย่างเงี้ยเอา้าคนไม่สามัคคีกันเอ้แล้วผาสุกนี่หมายความว่าไย่างกันแน่เข้าใจไหมพอถึงสถานการณ์ที่ว่าไม่น่าพอใจแล้ว จะยังเป็นพูดที่อยู่ผาสุกได้แม้ในคราวที่เกิดโจนภัยผาสุกได้แม้ในคราวที่สงแต่กันผาสุกได้แม้ในคราวที่เจ็บไข้นี่นะว่าคำว่าผาสุกหมายความว่ า, า, วายัางไงไม่ใช่ว่าเจ็บไข้จะหายไปไม่ใช่ว่าแตกกันจะสมานกันได้ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่แก่นะไม่ใช่ว่าคุณจะมีอาหารมากินไม่ใช่ความผาสุดนั้นไม่ใช่ที่บุญญาหมายถึงแต่ความผาสุในที่นี้หมายถึงว่าคุณถูกยิงลูกศรดอกเดียวไม่ถูกดอกที่สอง ก็ใช่ไหมคนที่ถูกคนที่ทั่วๆไปที่ยังไม่ผ่าสุขเนี่ยกายก็ทุกข์แล้วนะแหมเห็นทางตาเขาทะเลาะกันเห็นทางลิ้นไม่ได้กินนี่กายทุกข์ถูกไหมแล้วใจก็ยังทุกข์อีกถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่2องคือยิงถูกยิงซ้ำอ่ะแล้วเราก็จะไปนึกหาสิ่งที่มันมาทดแทนเราไม่ได้ก็หยุดยิงดอกที่สามคนหนึ่งเขาได้เราก็ถูกยิงดอกที่สี่ได้ยังไม่ที่ไม่ได้ไม่ได้อย่างที่หวังก็ถูกยิงดอกที่5และดอกที่6ตามไปตามไป มันก็ไม่เจ็บอยู่เรื่อยนี่คือความไม่ผาสุกที่จะเกิดขึ้นแต่นี้ผาสุกในที่นี้พู้ชมหมายถึงทางใจนั่นเองอ้าอาจจะอดบ้างอาจจะเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจบ้างโอ้กายปวดตรงนั้นบ้างแต่ถูกยิงแค่ดอกเดียวใจจะไม่ได้ทุกข์ไปตามสิ่งเหล่านั้นด้วยนี่คือความผาสุกที่หมายถึงตรงนี้ค เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ก็จึงบอกว่าก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจทั้งหลายที่เป็นภัยที่ว่าเนี่ยนะคะจะมาถึงเราเราจะรีบทําความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่บรรลุเอ่าซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ปูดถึงแล้วแม้จะแก่เท่าก็จะอยู่เป็นผาสัก ด, ดิ์ได้ใช่น่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่แก่แก่แน่นอน แต่เอ้แก่เราจะอยู่ผาสุกได้ไงไม่ใช่มันจะไม่ปวดปวดแน่นอนแต่ใจเรายังผาสุกได้นั่นเองค่ะนะเวลาใกล้จะหมดแล้วใช่ปานก็ควต้องอีกนิดนึงตรงนี้นะอ่ว า, า, า, าว่าภายในนาคดที่รูเช่าพูดถึงนี่เนะี่ยคือเหมือนกับเตือนไปเลยนะเตือนไปเลย ค, คือถ้าบอกภายในนาคนี่คือเตือนไปแล้วนะคือคือคือเหมือนคุณยอมติ๋วนี่ว่าคือเราไปดูหมอมาเลยละ่ะเอ้านะดูหมอดูเลยละ่ะนี่พระเจ้าพยากรณ์ให้เลยคุณเจอแน่ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง เจอแน่นอนแต่ไม่นิ้่าเรารู้ว่าเราจะเจอมันแล้วเนี่ย ค, คือเตือนไวลาว่าค่าสึกพวกนี้จะมาเราต้องรีบทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งน ะ, ะนั่นแหละนะนี่คือสิ่งที่เตือนไวแล้วน ะ, ะอนาฬิกาปลุกเตือนไลวละตั้งไว้ะนนละ อ, อย่างนี้เลยเจริญพรอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนั้นก็ต้องรีบมาฟังรายการสันสนิสนทนาตั้งแต่ตอนต้น เพราะว่าท่านจะได้ฝึกปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งจะพาไปถึงที่อย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยใช่ใช่สิ่งนั้นที่เราทําก็คือเรื่องของสตินั่นแหละที่ทําตั้งแต่ต้นนะคะฝึกสติใ น, นตอนต้นรายการภายใต้การนําของพระอาจารย์รูปนี้ล่ะค่ะพระมหาภัยบุญอภิปุณโณวัดป่าดอนหายโสอุันธานียังกราบนมันสการขอบพระคุณท่านไว้ในโอกาสนี้นะคะเยี่ยบานค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะรายการ ส, นสนันนิสนทนานะคะเราก็จะมาพบกับท่านเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ล่ะค่ะที่สถานีวิทยุครครัวข่าว FM106 หนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้มาติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ใหม่นะคะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหถึงตีหครึ่งแล้วพอเริ่มต้นจะฟังรายการปุ๊บเนี่ยขอให้ท่านรู้เลยว่าในอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้าท่านจะได้ปฏิบัติธรรมจะได้เตรียมตัวกันให้พร้อมวันหนึ่งวันหนึ่งที่นเชื่อว่าท่านจะได้ธรรมะของพระศาสดา เยอะทีเดียวนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดได้แล้วต้องนำไปปฏิบัติและปฏิบัติตลอดเวลานะคะไม่ใช่ว่ารอรายการมาถึงแล้วก็ถึงบอกว่าถึงเวลาที่จะต้องไปปฏิบัติแล้วทำให้เป็นนิสัยค่ะมันจะเกิดผลกับตัวท่านเองวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้พุทธวสวัสดีค่ะ